จงพากันสำเนียจสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจความหมายในทางปฏิบัติเพราะว่าคำสอนของพระุทธเจ้านี่ความมุ่งหมายของพระองค์ไม่ใช่มุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังผู้เรื่มใส น, นเรียนจดจำเอาไว้เฉยๆไม่ได้หมายอย่างนั้น ความมุ่งหมายของพระ อ, องค์ฟังเลือกเรียนจำได้แล้วเขาให้ไปลงมือปฏิบัติตามนี่ขอให้พากันเข้าใจไว้ให้ดีถ้าหากว่ายังไม่ลงมือปฏิบัติตามแล้วความนับถือนั้นมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยนั่นคือหมายวความว่าก็ไม่สามารถที่จะละกิเลส ให้น้อยวาวางหรือหมดไปสิ้นไปได้ mm. เมื่อเป็นเช่นนี้นะความนับถืออันนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรดังนั้นไม่ว่าครือข่าไม่ว่านักบวชก็ต้องให้เข้าใจความหมายอย่างนี้ mm. เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามจริงๆเลยเช่น mm. อย่างพุทธภาษิต ท, ที่ตรัดไว้ว่า ปโยเดวามนุษยานังมะนาปโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระพุทธภาสิต์อย่างนี้นะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปตริตรองสิแ น, นี้นะธรรมดาคนเราเกิดมาในโลกนี่ ไม่มีใครอยากจะให้คนทั้งหลายเกลียดชังตัวเองไม่มีเลยนี่ได้ต้องการให้คนทั้งหลายรักให้เอ็นดูกรุณาสงสารทั้งนั้นเลยนี่แล้ววันนี้ทำอย่างไรทำอย่างไรเราจรึงจะทำให้คนทั้งหลายนั่นมีความรักให้ เอ็นดูกรุณาสงสารได้นี่เอาก็ต้องปฏิบัติตามพุทธภาสิตข้อนี้เลยนี่ก็พยายามหัดอดหัดทนนะอดต่อคำด่าว่าเสียดสีโดยประการต่างๆนี่นะไม่ไม่ไมสแสดงอาการโกรธขุนเคืองอเหมือนอย่างพยายอิน น, นั่นแหละ พญาอาสูรด่ายัางไงพญาอินก็เฉยไม่วันไหวในที่สุดทั้งอาสูรทั้งเทวดาก็เลยไปเคารพรักพญาอินก็เลยไม่เคารพรับถือพญาอาสูรก็พญาอาสูร น, นั่นเป็นคนใจน้อยไม่หนักแน่นเมื่อได้กระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามก็ไม่อดไปทน แสดงอาการโกรธขุนเคืองออกมาก็เลยไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เลื่อมใสของพวกอสูรและเทวดาทั้งหลายนี่เนี่ยคำว่าพระธรรมคำสอนของอุตธเจ้าน่อมันมีความหมายในทางปฏิบัติเลยถ้าเราที่จำอุตตาสิทอย่างนี้ได้ไปเฉยๆแล้ว แล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามางนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระนั่นเองไอ้ที่ว่าต้องการอย่างให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายรักใคร่นับถือนั่นก็ไม่เป็นไปไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพุทธภาสินีจําไว้เป่าๆดังนั้นทุกคนให้พากันพิจารณาให้ดีการอยู่ในโลกนี่ ถ้าหากว่าปล่อยให้คนเกลียดชังมากกว่าคนรักใคร่นับถืออย่างนี้เราเราอยู่ยากจริงๆนะอยู่ยากทีเดียวะดังนั้นเราต้องทำจนให้คนทั้งหลายเขาเขารกนับถือรักใคร่เอ็นดูสงสารให้ได้ต้องหัดอดหัดทน ต่อคําด่าว่าเสียดสีคํากระทบกระทั่งต่างๆหรือว่าเรื่องตียกโทษซึ่งไม่มีมูลความจริงไอคนเรานี่ยมันต้องพิจารณาตัวเองนะถ้าเขากล่าวโทษมาอย่างนี้นะว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาสํารวจดูตัวเองว่าตนไม่ดีอย่างเขาว่าจริงหรือตนทําผิดอย่างเขาว่าจริงหรือ กวดดูตัวเองถ้าหากว่าเห็นว่าตัวเองได้ทำผิดอย่างเขาว่าจริงๆเะ่นนี้ก็ต้องยอมรับยอมรับเอาเลยไม่ต้องไปหาทางหลีกเลี่ยงจะมีโทษหนักเบาแค่ไหนก็ยินดีรับโทษอย่างนั้นถ้าพี่นาดูตัวเองเมื่อตอนเองบริสุทธิ์อยู่ ไม่ได้ทำผิดทำพลาดอย่างที่เขากล่าวหานั้นเช่นนี้ตนก็ไม่ต้องหวั่นไหวเลยบัดนี้นั่นแต่ภายนอกนั้นเขาเจะนินทาว่ารายย้ายยังไงก็แล้วแต่มันเมื่อเราบริสุทธิ์อยู่นี้เราก็สบายก็ทําตนให้เป็นปกติไม่มีอาการเดือดเนื้อร้อนใจอะไรถ้าหากว่าประพฤติตนได้อย่างนี้ ต, ต่อไปน่ะคนผู้นั้นก็จะเป็นที่เคารพรักใคร่นับถือจากคนทั่วๆไปไม่เฉพาะแต่มนุษย์แม้เทวดาก็ย่อมนิยมชมชื่นบุคคลผู้มีความอดทนอดกั้นต่อคำด่าว่าเสียสีไม่ยอมทะเลาะวิวาทกับใครนี่ไม่ มนุษย์ก็ชอบใจเทวดาก็ชอบใจบุคคลเช่นว่านี้นี่นะนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนนะเราจะอยู่เย็นเป็นถูกได้ในโลกนี้ก็เพราะเราไม่มีศัตรูเราประพฤตินตนไม่ให้มีศัตรูก็คือตั้งอยู่ในขันติธรรมอย่างว่านี่แหละตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ถ้าผิดพลาดไปแล้วก็ยอมรับผิดลงไป ยอมรับโทษอย่างหน้าชื้นตาบานไปเลยไม่ต้องหาทางหลีกเลี่ยงเพราะว่าโทษอันไม่หนักไม่หนานี่เมื่อเรายอมรับแล้วยอมปฏิ ญ, ญาณตนว่าจะาสำรวมระวังต่อไปโทษนั้นมันก็หมดไปนี่ทันเดียวว่าละหุกรรมกรรมเบาถ้าตนทำผิดทำพลาดลงไปแล้วมิจะปิดไว้กลัวคนอื่นจะรู้ หาทางหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับผิดเช่นนี้โทษนั้นมันจะไม่หายมันจะต้องติดตามไปให้ผลจนได้นั่นต้องเข้าใจอย่างนี้มันจึงถูกต้อง <c oughs> มันเป็นเรื่องเปิดเผยเรื่องศาสนานี่นะไม่มีเรื่องปิดบังไม่มี <c oughs> เมื่อทําชั่วลงไปทําผิดลงไปแล้วก็ยอมเปิดต่อกัน เช่นอย่างก็ภิกษุนี่เลยเมื่อได้เผลอไปร่วงศีขาบทในสีขาบทหนึ่งนี้ก็ยอมรับยอมว่าตนได้ร่วงแล้วก็ไปแสดงตนต่อภิกษุรวยรูปหนึ่งว่าผมได้ร่วงิกขาบทข้อนั้นแล้วขอแสดงต่อท่านขอแจ้งต่อท่านแล้วขอให้ท่านเป็นสักขีพยานว่าผมจะสำรวมระวัง ต่อไปท่านผู้รับแจ้งความนั่นก็อืม้วขอให้ท่านสำรวมระวังต่อไปต่อนี้ไปนะอย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าพ้นโทษนั้นไปอย่างนี้นะถ้าเป็นทายยกชา ย, ยิก า, าไปร่วงเกินพระภิกษุสามเณรด้วยกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้ยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างรู้ตัวแล้วได้เกาได้ดอกไม้ทูบเพี้ยนมาขอขมาโทษต่อพระภิกษุสามเณรเมื่อพระภิกษุสามเณรยกโทษให้แล้วโทษนั้นก็หมดไปอืนี่วิธีออกจากบาปคนเราเนี่ยพออยู่ด้วยกันนี่จะมาให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเสียเลยนั่นไม่ได้มันต้องมี แต่ว่าเมื่อมันไม่รุนแรงแล้วอย่างนี้เราขอโทษต่อกันและกันต่างฝ่ายอาโหสิกรรมให้แก่กันแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปไม่มีกรรมมีเวรผูกพันกันไปแต่ถ้าว่าไม่ยอมอาโหสิกรรมให้แก่กันแล้วมันจะเป็นเวรติดตามสนองไปหลายชาติหลายภบไปอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะเรื่องหูนี้นะ มันมันเป็นเรื่องเทพโผลพันกันไปได้จริงๆนะอันเนี้เหมือนอย่างที่ท่านแสดงไว้ในนิทมนิทานหมดนั่นนหละหน้าสองตัวตัวหนึ่งหากินน้าลึกตัวหนึ่งหากินน้าตื้นเป็นสหายกันแล้วก็ให้สัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้อาหารมาแล้วก็เอามาแบ่งกัน อย่างนี้แหละได้สัญญาเขาไว้อย่างนั้นทันอยู่มานี่ตัวหากินน้ำลึกไปได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งขึ้นมาต่อมาแบ่งกันไอแบ่งกันนี่ไอตัวที่จับปลาได้มานั่นก็จะเอาท่อนหัวแต่กลางตัวขึ้นมาหาท่อนหัวแล้วท่อนหางจะให้ตัวหากินน้ำตืน้น เอาตัวนาคที่หากินน้ําตลือกก็ไม่ยอมเพราะเราได้สัญญากันไว้แล้วต้องแบ่งเท่าเท่ากันในขณะนั้นหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เดินผ่านไปไอนาคสองตัวนั้นก็เชิญหมาจิ้งจอกนั่นให้มาเป็นผู้พากษาตัดทินให้หมาจิ้งจอกนั่นก็มาให้สัญญากับนาคสองตัวนั้นว่าถ้าหากว่าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แบ่งให้นี่ พวกท่านทั้งสองนี่จะเชื่อคำของข้าพเจ้าหรือเมื่อข้าพเจ้าแบ่งให้อย่างไรแล้วต้องเอาอย่างนั้นถ้ า, ถ, าถ้าได้อย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะรับเป็นผู้แบ่งปลานี้ให้แล้วข้าพเจ้าก็จะทำให้ยุติธรรมที่สุดหน้าสองตัวก็ยอมก็ยอมอย่างนั้นแล้วไอ้หมาจิ้งจอกนั้นมันก็ตัดท่อนหัวนั้นให้แก่หน้า ที่หากินน้ําลึกที่จับปลาตัวนั้นได้มาน่ะตัดท่อนหางให้แก่นาคที่หากินน้ําตืน้นนั้นตรงกลางหมาจิ้งจอกเอาไปกินจ้อยนาคสองตัวนะั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงวะเนี้ยก็มองหน้ากันเล็กๆเล็กๆอยู่เท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าได้ให้สัญญากับหมาจิ้งจอกแล้วนี้ออจะไปพัก่วงคัดคานไม่ได้เลย พอยินยอมให้หมาจริ้งจอกเป็นปุยภากษาเพียงเท่านั้นแล้วยังเป็นกรรม เ, เวรติดตามมาจนว่าสัตว์เหล่านั้นได้เกิดมาเป็นคนในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่อันหมาจริ้งจอกมันก็ได้ออกบวชมา น, นี่ไอ้น้าสองตัวนั้นก็ได้ออกบวชเหมือนกันมาเนี่แล้วก็เป็นสหายกันอีกหละอันอันนาสองตัวที่มาเกิดเป็นคนแล้วนั่นก็ดีบวช ด, ด้วยกัน พบวชมาไปจํามันสายแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วเขาถาวายผ้าสาดกผ้าเนื้อหยาบผืนหนึ่งแล้วก็ผ้ากําพลผ้าเนื้อละเอียดนั้นผืนหนึ่งวันนี้ผ้าสององค์นั่งก็มานั่งแบ่งผ้ากันวันนี้นะองค์ไหนก็ว่าจะเอาผ้ากําพลนั้นวันนี้เ อ, องค์ไหนก็เหมือนกัน ผ้าสาดกผ้าเนื้ อ, อยาบใครก็ไม่ต้องการวันนี้เออส่งเที่ยงกันไปสกเทียงกันมาหน่อยหนึ่งอันท่านพระอุปปันโน น, น, นี่อันที่เป็นหมาจิงจอกแต่ก่อนนี่นหะก็เดินผ่านไปพระสององค์นั้นก็ขอนิมนต์ให้ท่านพระอุปนโ น, นนี่ไปเป็นพุทอเจ้าหน้าที่แบ่งผ้านั้นให้อันนี้พระอุปปันโ น, นนี่ก็ว่าถ้าท่านจะให้ ผมแบ่งผ้าให้นี่พวกท่านต้องให้คำปฏิญญาก่อนว่าถ้าพวกท่านจะเชื่อคำของเราได้โดยเด็ดขาดหรือไม่หมายความว่าเมื่อเราแบ่งให้อย่างไรแล้วไม่มีข้อโต้แย้งจะรับไหมเอารับพระคุณเจ้าแบ่งให้อย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นเลยคราวนี้ก็พระอุปนน์นั้นท่านก็เอามีดมาตาดผ้าสาโดผ้าเนื้อหยาบนั้นออกเป็นสองชิ้นนะ ก็ให้พระสององค์แล้วคนละชิ้นกันส่วนผ้ากรรพลเนื้นละเอียดถ้าอุปนน์ก็เอาไปคลองชิดไปเลยนั่นพระสององค์นั่นพูดอะไรก็ไม่ได้ก็ยอมให้เพื่อนแบ่งแล้วนี้อืมเนี่เรื่องกรรมเรื่องเวรนี่แหะพูดเรื่องเวรให้ฟังเพียงแต่กรรมเวรเบาๆเพียงแค่นั่นแหะมันยังติดสายห้อยตามมาจากสัตว์มากลายเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้ว กรรมเวรนะัมันยังตามมาสนองให้คิดดัวให้พากันกลัวอย่างว่านี่แหละอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญแล้วก็เมินเฉยเสี้ยอย่างนี้ไม่ดีเนอเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดนะเกิดกระทบกระทั่งกันไม่พอใจอะไรต่อกันอนระอย่างนี้รู้เห็นโทษแห่งเรื่องหมดนั้นแล้วต่างก็หันหน้าเข้าหากันแล้วขอโทษต่อกันแล้วกัน แล้วต่างอต่างฝ่ายก็อาโหสิกรรมให้แกกันแล้วก็ทำดีต่อกันไปเช่นนี้ละกรรมเวรนั้นมันถึงจะหมดไปเอออย่าไปเข้าใจว่าต่างคนต่างเฉยเมยไปแล้วมันก็หมดไปเองมันไม่ใช่นะถ้าเราไม่ยกโทษให้แกกันก่อนแล้วไม่หมดนะอะกรรมเวรนั่นอะมันเป็นงั้นอย่างอย่างที่ยกประวัติของภาษาวกมาเล่าให้ฟังนี่แหละก็พิจารณากันเอา ผู้ใดไม่ต้องการกคำเวรแล้วก็กต้องปฏิบัติให้มันตรงต่อคําสอนของพระเจ้าในอย่างที่แนะนํามานี่แหละเมือว่าใครนี่นะต้องให้จําเอาไว้เลยอย่าไปกลัวเสียเปรียบเสียหรืออะไรกันอย่าไปกลัวเขารู้ความชั่วของตัวไม่อยากเปิดเผยออกมาไอ้ไ อ, อย่างนั้นไม่ไม่ดีหรอกไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไร ไปปิดบังความชั่วไว้อย่างนี้นะเพื่อไม่ให้คนอื่นเขารู้อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแบบนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตพิโลเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกอืวังเอาสินั่นเลยเอา้าวทำไมว่ะงั้นทำไมว่าที่ลับไม่มีมันก็มีอยู่สิธรรมดาที่ลับ คือหมายคาว่าที่ไม่มีคนเห็นนเะช่นอย่างตัวไปอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นก็ไม่เห็นเลยอย่างนี้นะนั่นก็เรียกว่าอยู่ที่ลับในวันนี้ทําไมพระองค์เจ้าจึงกล่าว่าที่ลับไม่มีในโลกไม่มีเพราะเหตุว่าตนนั้นทําดีแล้วทาชั่วอย่างไรตนรู้เรื่องของตัวเองแม้ตนจะทําชั่วอยู่ในที่ลับถึงคนอื่นไม่เห็นไม่รู้ตัวเองก็รู้รู้ว่าตัวทําชั่วนะ เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าที่รับมันไม่มีในโลกนั่นแหละถ้าตนไม่รู้เทวดาผู้มีฤทธิ์ก็รู้ผู้มีตาที่ผู้ที่ก็รู้เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพร ะ, ะองค์เจ้าจัดว่าที่รับไม่มีในโลกดังนั้น <c oughs> อย่าพากันปกปิดความชั่วของตัวไว้ต้องเปิดออกให้หมดแล้วมันจะได้หมด กรรมหมดเวรลงไปมันจะไม่ได้ติดตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปเมื่อเราเปิดออกเราสละกกรรมชั่วเรื่องชั่วออกไปแล้วมันก็เหลือแต่กรรมดีเหลือแต่ความดีคือบุญกุศลที่ตนได้ทาด้วยกายวาจาใจนี่กรรมดีคือบุญกุศลจะมันก็ะติดต่อยห้อยตามอํานวยความสุขให แก่ตัวของผู้นั้นทุกแห่งทุกหลไปผู้นั้นก็จะไปเกิดในที่ไหนก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูคอยมาจองล้างจองผ่านชีวิตของผู้นั้นก็นับว่าเป็นอยู่อย่างอิสระเสรีเอดังนั้นน่ะอย่างนักบวชอย่างนี้นะ ท่านเป็นผู้สละความชั่วออกจากกายวาจาใจแล้วอย่างนี้บวชเข้ามาแล้วก็เข้าไปเจริญกรรมฐ า, านภาวนาอยู่ในป่าเขาลำเนาไัยนั่นไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยเพราะเหตุว่ามาพิจารณาตัวเองเห็นว่าไม่มีความชั่วอะไรอยู่ในตัวถ้ามีโอกู่ก็ชำระมันแล้วละมันแล้ ว, ลลวอย่างนี้เหะีะมองเห็นแต่ความดี มองเห็นคุณพระรัตานากรายตั้งมั่นอยู่ในใจตนฝากชีวิตไว้กับคุณพระรัตานากรายเท่านั้นไม่ได้เชื่อว่าสิ่งอื่นนั้นจะเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าคุณพระรัตานากรนี้ไม่มีได้ฝากชีวิตจิตใจกับคุณพระรัตานากรยอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นท่านพวกไปอยู่ป่าเขาลําเนาภัยต่างๆหมู่นั้นนะไปอยู่ในถิ่นที่มีภัย ไพนั้นกลับระ ง, งับไปไม่มีแต่คนธรรมดาสามัญไปก็แสดงว่ามีไพดังที่ตอนที่ไปเที่ยวเจริญพระกรรมฐานอยู่ภาคใต้ไปอยู่ถ้ำถ้ำหนึ่งที่ภูเขาที่เขตอำเภอเอ่าลึกขอให้ญาติโยมเขาพาไปญาติโยมเขาบอกว่าถ้ำเหล่านั้นมีผีดุ อา้ารู้ได้ยังไงอ่ะพวกผมไปหาของป่าแล้วก็ไปนอนอยู่ตามถ้ำนั้นนอนไม่ได้เลยเอา่าพอนอนลงไปอย่างนี้อเอา้ามันก็มาดึงขาลงไปคือว่าหัวมันไม่เสมอกนมันก็ดึงขาลงมาให้หัวมันเสมอกันก็ต้องตื่นตื่นแล้วก็ไล่ผีกันกันไล่แล้วก็มานอนนอนพอเริ่มเคลิมหลับไปมันก็มาดึงขา บางทีมันก็มันก็ซัดกอนกรวดอะไร่อะไรเข้ามาใส่เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้หลับได้นอนเย่างนั้นโอ้ก็นั้นที่พวกโยมนะมันไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรไม่ไหวพระภาวนาแล้วจะให้ผีมันเข้ารบยำเกลงยังไงอันพระนี่ท่านไหวพระภาวนาถ้าไม่ทำบาปท่านไม่เบียดเบียนใคร อย่างนี้แล้วผีมันจะมาเบียดเบียนพระได้ยังไงอ่ะอมีแต่มันยินดีต้อนรับขับสู้เหมือนอย่างคนดีทั้งหลายเช่นพระราชามาหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิศลาภทองธรรมเป็นที่เคารพนับถือของประศกนิกรทั่วประเทศเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนประศกนกรในบ้านด้านเมืองนั้นก็ยินดีชื่นชมเอลังไหลไปต้อนรับ ขับสู้ไปแสดงความเคารพคารวะไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูเลยอันนี้ทันใดก็อย่างนั่นแหละอ น, นกบวชผู้ที่เว้นจากความชั่วแล้วตั้งหน้าทำแต่ความดีพยายามทำลายกิเลสันายโอยเบาบางออกไปจากกิจใจแล้วก็เจริญเมตตาแทนไมตรีจิตคิดในสัตว์ทั้งหลายเป็นถูกทั่วหน้า กันอยู่ทุกคืนทุกวันทุกเวลาไปเช่นนี้แหละพวกพูดผีผีฉตดมันก็ยินดีต้อนรับเลยไปพาพวก็จะมาไปเขาพาไปพอไปพักอยู่ในถ้ำนั้นแล้วอยู่คนละถ้ำละถ้ำกันเอา้าพอถ้ำคืนมาก็เดินจงกรมนั่งภาวนาไป นั่งภาวนาอยู่นี่ได้ยินเสียงดนตรีดังอยู่เพดานถเพดานถ้ำมันสูงเอเสียงดนตรีดังไพเราะเพราะพิ้งเหลือเกินนะเอ๊แบบนี้เนี่ยมันไม่มีเมืองมนุษย์นะดนตรีแบบนี้มันจะเป็นของเทวดาแล้ววะก็เลยกําหนดอย่างนั้นแ่ะแต่มันก็ไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องมันนก็ น, นั่งฟังเสียงดนตรีนั่นแหละ ทั่งภาวนาไปไม่ไม่ฟังมันก็ได้ยินนี่เหลืองเหมือนนะออฟังไปเมื่อจิตมันรวมลงแล้วมันก็มันก็หายไปมันก็ไม่ได้ยินถ้าจิตมันถอนออกมาเอาก็ก็ได้ยินเสียงดนตรีนั่นอีกกระจนนอนรับนอนหลับไปแล้วก็แล้วไปก็ตื่นมารุกเช้าไปบิ่งบาทในตลาดถามชาวบ้านว่า เมื่อคืนนี้มีคณะดนตรีอะไรมาเล่นอยู่ในตลาดนี้มีไหมไม่มีอออย่างนี้แหละ <c oughs> ในที่สุดอยู่ในที่นั้นตั้งยี่สิบกว่าวันสบายไม่มีอะไรพระองค์ไหนเคอยู่ด้วยกันอะ้รกัไม่มีอะไรอืสบายไปเลยอันนี้แหละเรื่องศิลปเรื่องธรรมเรื่องคุณความดีนี่เมื่อมีอยู่ในผู้ใดแล้วอย่างนี้ มันก็มีผลปรากฏในปัจจุบันนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจมีแต่ผู้ยินดีต้อนรับขับสู้ดังนั้นนะพวกเราให้พากันทำความดีเข้าไปตั้งอยู่ในความอดความทนอดกั้นทนทานต่อหนาวต่อร้อนต่อคำด่าว่าเตียดสีต่งาง อดทนต่อกรรมวิบากที่มันตามมาสนองเอาบางคนมันมีก ร, รมวิบากมาสนองทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษายัางไงก็ไม่หายหมู่นี้นะมันที่เราจะพอมีความสุขใจอยู่ได้ก็เพราะเราอดกัน้นต่อทุกขเวทนาต่างๆไปเท่านั้นแหละถ้าไม่อดกั้นแล้วก็จิตใจก็ย่อมดิ้นลนกระสับกระใสาหาความสุขไม่ได้เลยอืม แม้พระพุทธเจ้าหรือพระอราหันต์ทั้งหลายถึงว่าพระองค์จะรู้แจ้งจะทําอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ต้องเลยอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาอย่างเหมือน ก, นกันกับคนทั่วออไปนั่นเลยพระอราหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันเต้องเลยอดกั้นทนทานอย่างนั้นทีเดียวแต่ว่าท่านทอดกั้นทนทานพร้อมด้วยความรู้เท่าอื นั่นแหละไม่ใช่อดธรรมดาเฉยๆอย่างคนทั่วไปคนทั่วไปนะั่นอดทนแต่ยังหลงอยู่ยังไม่รู้แจ้งในทุกนั้นตามเป็นจริงมันผิดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้พึงพากันลงมือปฏิบัติตามธรรมะดังที่แสดงให้ฟังมานี้แล้วก็สามารถที่จะทําอาเชกิเลต ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจหรือถ้าว่ามีบาปอยู่ในใจบาปนั้นมันก็จะน้อยเบาบางออกไปสมดังพุทธภาษิตรทรงตรัสไว้ว่าขันติตะโปตะปะสีโนความอดทนอดกั้นเป็นตะปะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสบาปประรมทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้